ก็ขอจเจริญพรญาติโยมเนา ะ, ะที่ได้เข้ามาในห้องครับเฮาวันนี้ก็มีประเด็นที่ตั้งชื่อว่าธรรมชาติที่ปรากฏและไม่ปรากฏจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกันทุกวันอ่ะนะแล้วก็ถ้าเราติดตามฟังสม่ำเสมอก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันก็จะพูดต่อยอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆ แต่ทีนี้มันเป็นเพียงแค่หัวข้อเนาะแต่ว่าเรื่องของการรับรู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยอันนี้คือของจริงของจริงคือคือพวกเราเนี่ยเนาะมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายอยู่แล้วพออะไรปรากฏขึ้นผ่านทางหูตาจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดการรับรู้มันก็เป็นความเป็นของจริงจะชอบหรือไม่ชอบมันก็คือของจริงนะ แม้กระทั่งความชอบหรือความไม่ชอบนั่นก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏก็คือของจริงเหมือนกันจะต้องรับกันให้ได้รับไม่ได้มันก็ต้องมันก็ต้องรับรู้อยู่ดี <c oughs> คุยกันมาเชิญโยมเลยนะยอมนิดน้อยค่ะสวัสดี อ, อเจียนทุกท่านด้วยนะคะกลับนรมาส ก, การหลวงพ่อค่ะค่ะธรรมชาติที่ปรากฏและไม่ปรากฏอย่างที่หลวงพ่อท่านเอ่อ พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เหมือนเหมือนกับว่าคล้ายๆวันนี้เอ่อหนูนิเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะที่บอกว่าไม่ใช่เห็นด้วยตาเห็นด้วยใจนะคะถ้าพ้นจากตาพ้นจากใจอะค่ะจึงจะเห็นจริงนะคะเราอาจจะมาคุยถึงเรื่องนี้ก็ได้ค่ะว่าเอ๊พ้นจากตาพ้นจากใจแล้วมันจะพ้นยังไง แล้วเห็นจริงคือยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าคําว่าจริงของแต่ละคนก็อาจจะคิดว่าเออฉันเห็นแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนอาจจะเห็นจากตาเนื้อบางคนอาจจะเห็นจากตาในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าพ้นจากทั้งตาเนื้อหรือตาในเราจะเห็นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะลองลองขึ้นมาคุยกันนะคะเรียนเชิญ น, นะคะแค่เกิดมาก็ชวนให้คิดแล้ว อะไรเนี่ยอะไรแล้วจริงคืออย่างไรไม่จริงคืออย่างไรเออ ค, ความคิดนี่นี่คือกระบวนการของการทํางานเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ้อาว เ, เดี๋ยวเรามาเข้ากันแล้วเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รอใครเพราะว่าถ้ารอมันก็เวลามันก็ผ่านไปผ่านไปนใช่ค่ะแต่ทีนี้เรามาเอาเริ่มเริ่มเริ่มลําดับเพื่อให้เข้าใจไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเนาะบางทีถ้า ถ้ไม่ลำดับมันก็งงๆอยู่อ่ะทีนี้เริ่มใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยโยมโหนุ่ยหน่ยเริ่มใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยอะไรก็ดีอยู่นะที่พูดมาสักครู่ <c oughs> แต่จำไม่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> ค่ะก็คืออ๋อเมื่อกี้จาก <c oughs> หน้าหน้าเอ่อโปรไฟล์หนุหนุ่เปลี่ยนรูปค่ะแต่ว่าเป็นเป็นคำพูดขึ้นมานะคะว่าเอ่อไม่ใช่เห็นด้วยตานะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยใจ พ้นจากตาพ้นจากใจจึงจะเห็นจริงค่ะนะคะก็ไม่ว่าตาหรือใจก็เป็นอายตนะนะคะก็เดี๋ยวให้หลวงตาช่วยขยายดีกว่าค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ให้หลวงพ่อขยายค่ะทีนี้อ่าเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องอายตนะเนาะคืออายตนะ ที่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยมันมีก็คืออายตนะภายนอกอายตนะภายในอันนี้นี่คือเขาเรียกว่าเกริ่นก่อนเนาะเพื่อจะได้ลําดับความเข้าใจอายตนะภายนอกอายตนะภายในภายนอกก็มีรูปรสกลิ่นเสียงโหทัพทะคือสิ่งที่มากระทบกายะนะแล้วก็ธรรมารมอันนี้มีห แล้วก็อายตนะภายในก็มี6กเหมือนกันก็คือหูตาจมูกลิ้นกายและใจะทีนี้อายตนะภายนอกภายในเนี่ยมันเป็นของคู่คู่กันนะเช่นหูสิ่งที่มันจะคู่กันก็คือเสียงพอกระทบกันก็เกิดการรับรู้ทางหูการรับรู้เนี่ยก็เป็นอายตนะเหมือนกันก็มี หมายถึงว่าอายตนะภายนอกกับภายในพอกระทบกันก็เกิดวิญญาณนะถ้ารับรู้ทางหูก็เรียกว่าวิญญาณทางหูรับรู้ทางตาที่เกิดการเห็นนะนะเรียกว่าวิญญาณทางตารับรู้ทางไหนก็เป็นวิญญาณทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกันก็เกิดวิญญาณทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติในเรื่องพวกนี้ไว้ทำไมท่านต้องมาบัญญัติเรื่องพวกนี้ก็เพื่อเพื่อให้รู้ว่าอ๋ออายตานะทั้งภายนอกทั้งภายในและปิญญาณที่เกิดทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งนะมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะตรงนี้สาคัญมาก ยังไงก็ต้องเข้าใจเรื่องเบื้องต้นก่อนว่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องนี้คือเพื่อให้เข้าใจว่าอายตานะทั้งสิบแปดเนี่ยเนี่ยรวมแล้วนี่นะอมืมันเป็นสังขารปรุงแต่งมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปมันเป็นทุกขังคือทนสภาพเดิมไม่ได้หมายความว่ามันจะตั้งอยู่ให้มั่นคงไม่แตกสลายไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะต้องหมดไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกขังแล้วก็ ความเป็นเช่นเนี้ยความเป็นเช่นเนี้ยท่านเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เราต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนหน้าไม่มีเรานะนี่มันง่ายดีต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่ามันไม่มีเราแต่ถึงแม้มันจะยังรู้สึกว่าก็เป็นเราอยู่นี่เป็นเราอยู่นี่ก็หมายความว่านั่นคือความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นอะไรมันก็เป็นสังขารใช่ไหมไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ดี ต่อให้รู้สึกว่าไม่เป็นเราแล้วไม่เป็นเราแล้วมันก็ยังเป็นความรู้สึกว่าไม่เป็นเรามันก็เป็นสังขารไม่เที่ยงอยู่ดีเป็นทุกขังอ่าไม่เที่ยงเออเป็นสังขารไม่เที่ยงอยู่ดีเป็นสังขารเป็นทุกข์อยู่ดีแล้วก็เป็นอนัตตาอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกอย่างไรหรือจะที่มันปรากฏขึ้นอ่ะปรากฏขึ้นหมายถึงว่าจะรู้สึกอย่างไรหรือรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันก็ยังเป็น สังขารอยู่ดีก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยดักดักทางไว้หมดแล้วไม่ว่าจะรู้สึกแบบไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันกําลังปรากฏอยู่ทางหูทางตาทางจามกูกทางเลี้ยทางกายทางใจนี่แหละมันก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างเนี้ยอย่าหลงไปยึดถือว่ามันเป็นเราอีกต่อไปต่อให้หลงนะอา้าวนี่หลวงพ่อพูดถึงขนาดนี้นะต่อให้หลงนะหลงไปยึดมันก็ยังเป็นสังขารอยู่ดีแหละ ก็ไม pues ่ใช่เราอยู่ดีแต่ให้หลงอ่ะมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเออเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นยังไงปรากฏว่าเป็นความหลงนะแล้วหลงก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็รู้อืพอรู้เสร็จแล้วเอ้ามันก็ไม่เที่ยงอะเดี๋ยวก็กลับไม่รู้หลงกับรู้ก็ยังวังวนอยู่ก็คือเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ดีเพราะฉะนั้นรวมความแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมาล้วนแต่เป็นเข้าอยู่ภายใต้กฎ ของใจลักทั้งหมดทั้งสิ้นท่านี้คุยแต่เรื่องเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงมีสองอย่างเนาะจริงแบบแบบไหนอะจริงแบบสมมตินะถ้าจริงแบบสมมติมันก็ก็ยังไม่จริงแท้นะไอ้ที่ไม่จริงก็คือเป็นของที่มันหลอกลวงนะมันหลอกลวงให้ให้หลงกลมันว่าเป็นความจริงนะทีนี้เมื่อกี้อยมเพิ่งเข้ามาเนาะ ที่ผ่านไปหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของอายตนะอายตนะภายนอกอายตนะภายในเนาะเมื่อมันเกิดการกระทบกันแล้วมันก็เกิดวิญญาณทางอายตนะนั้นๆ น, น, นะทีนี้พอเรารู้จักจริงๆหลวงพ่อเชื่อว่านักปฏิบัติธรรมนะอย่างน้อยก็เข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่ว่าหลวงพ่อมาพูดซ้ําอย่างนี้ก็เพื่อว่าให้เข้าใจาแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอายตนะนั้นเนี่ย คือบ่งบอกให้เข้าใจว่าอายตนะเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเนาะมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์แต่ที่นี้หลวงพ่อเนี่ยมักจะเน้นในเรื่องของอลักษณะที่สามก็คือว่าความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดเลยว่าอะไรก็ตามที่กำลังมีกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราทั้งหมดนะไม่มียกเว้นเลยนะนะไม่กระทั่งร่างกายที่ที่กำลังรับรู้อยู่ว่าเนี่ยมีร่างกายอยู่อันนี้ก็ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนการกำลังพูดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่กาลังปรากฏอยู่ ก็ไม่ใช่ตัวตนนะความคิดนะความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะถึงแม้ว่าจะยังรู้สึกว่าก็เป็นตัวตนอยู่นี่ไงตัวเราตัวเราสมมติยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ความรู้สึกอันนี้ก็ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่ดี ลองสังเกตดูนะความรู้สึกเนี่ยเพราะทุกคนขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังรู้สึกว่านี่ไงตัวเราตัวฉันแต่ลองดูดีๆีิว่าไอความรู้สึกเนี้ยมันเที่ยงไหมล่ะเออมันอยู่ตลอดวันตลอดคืนไหมเออเวลาเราทำอะไรเพลินเพลินเราไม่ได้คิดถึงมันมันยังอยู่ไหมความรู้สึกนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีละมันดับไปละการนอนหลับอา้าว มีไหมเวลานอนหลับมันก็คิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวของเราหรือรู้สึกว่าเป็นเรามีเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้นี่แสดงว่ามันก็ดับไปแล้วสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวมความแล้วถึงแม้จะรู้สึกมันก็เป็นแค่รู้สึกในช่วงบางช่วงบางเวลาแล้วมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกกึงความรู้สึกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไร ทีนี้ถ้าเรามีหลักมั่นคงอย่างเนี้มันก็จะไม่หลงไปไปหลงผิดอีกว่าเป็นตัวตนตัวตนไม่มีอยู่จริงเป็นแค่ความรู้สึกแค่บางครั้งบางข่าวเท่านั้นเองให้ยืนหยัดด้วยหลักธรรมข้อนี้แล้วก็ความหลงเนี่ยความหลงที่จะหลงผิดนะหลงผิดเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยเรื่นะเมื่อความหลงผิดไม่มีมันก็เป็นความรู้ถูกถ้า นะรู้ถูกก็คือหมายความว่าถ้าต่อไปมันหลงผิดก็รู้เร็วขึ้นว่าอ่ะหลงผิดไปแล้วหลงผิดไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนแล้วอ่ะมันก็เป็นรู้ถูกขึ้นมาการรู้ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเนอะรู้ถูกต้องอตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันรู้เท่าทันรู้เร็วมันก็เป็นปัญญาที่เร็วอ่ะฉับไวนะคมกริบเออปัญญาคมกริบพอปัญญาคมกริบมันสามารถตัดนะตัด ความหลงได้อย่างฉับไวพอหลงปั๊บตัดปุ๊บหลงปับตัดปุ๊ บ, บ, บความหลงมันก็ยังมีอยู่ดีแหละแต่ความหลงก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่มันรู้เร็วอ่ะรู้เร็วรู้เร็วรู้ทันเมื่อสิ้นความหลงได้เมื่อหมดความหลงได้มันก็เป็นวิ ช, ชาเป็นวิ ช, ชาซึ่งถ้ามีวิ ช, ชาใช่ไหมเออมันก็ตัดได้นั่นไงตัดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดนี่ถ้าเราพวกถ้าเราเรียน ปฏิจจสมุป บ, บาทจะรู้เลยว่าเอาวิชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารนะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณว่าไปเรื่อยแต่ถ้ามันมีวิชาวิชาก็เป็นปถ้ามีวิชามันก็ไปดับคือไม่ให้เกิดสังขารนะสังขารคือความหลงผิดปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาตรงนั้นก็โอเคอีกส่วนแต่ว่าเรากําลังพูดถึงสภาวธรรมที่กําลังปรากฏในปัจจุบัน อย่าลืมว่าสิ่งใดก็ตามที่กําลังปรากฏในปัจจุบันไม่ว่าทางอายตนะไหนล้วนแต่เป็นสังขารไม่ที่เป็นทุกข์เป็นอนะัตตาทั้งหมดทั้งสิ้นจากนี้ไปต้องคุยกันด้วยความไม่หลงผิดว่ามีตัวมีตนแล้วของสอบถามค่ะคือความจริงที่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเราก็ยังไม่ต้องไปละทิ้งกับความจริงที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้หรือว่า ที่เรารู้สึกอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าเราไม่กระโจนเข้าไปหรือว่าใส่อารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผันแปรไปได้ในในทุกๆเวลาในทุกในทุกช่วงชีวิตหรือทุกวันของเราอะคะ่ะซึ่งตรงนี้คือความจริงที่เราควรจะรับรู้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าคะ มเมื่อกี้มีคำถามตรงที่บอกว่าเรากระโจนคำว่าเรากระโจนหมายถึงอะไรเอ่ยเดี๋ยวเขาช่วยขยานตรงนี้นิดนึงก่อนเรากระโจนหมายถึงคือหมายถึงว่าบางครั้งเราการใช้ชีวิตอะคะ่ะเราเรากเ็เข้าไปสู่อารมณ์นั้นไปมีความ เ, เขาเรียกว่าอะไรคะ อ, อ, อย่า ง, อ ย, างอย่างตรงนี้คะ่ะเราก็เข้าเข้าไปรับรู้ว่าเข้าไป มีอารมณ์ร่วมว่าเ อ, อิมความจริงมีเป็นแบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็มีการมีการทำความเข้าใจให้มันเกิดความรับรู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงกระโจนเข้าไปในในในสิ่งที่เกิดขึ้นนัดนดตอนนั้นนั้นนะคะก็อธิบายไม่ถูกอะค่ะเข้าไปมีการเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปมี อยู่ในจุดๆนั้นด้วยในสถานการณ์นั้นด้วยค่ะมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมอะค่ะประมาณนั้นน ะ, ะทีนี้ส่วนใหญ่นะการปฏิบัติธรรมที่ให้ให้ถูกต้องถูกตรงเนี่ยต้องเป็นนะคือรู้ตัวอยู่ปัจจุบันรู้ตัวอยู่ปัจจุบันหมายความว่าปัจจุบันนี้มีตัวนะที่เราใช้ภาษาสมมติว่าตัวตัวก็คือกายนี่แหละร่างกายนี่แหละคือตัว แล้วก็ในตัวเนี่ยมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะความรู้สึกนึกคิดแม้กระทั่งความคิดนี่มันก็อยู่ในตัวก็คือเป็นเรื่องของของนามธรรมนะแต่ก็มันก็อยู่ในตัวอารมณ์ความรู้สึกพอใจไม่พอใจเฉยๆเป็นสุขเป็นทุกข์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่อยู่ในตัวก็คือมันเกิดขึ้นในทางจิตใจนะสิ่งเหล่านี้มันจะกําลังปรากฏเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นเองอส่วนเรื่องราวนะเรื่องราวเนี่ย ที่มีเหตุการณ์ยงอย่างนั้นอย่างนู้นอย่าง น, างนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวมันปรุงแต่งเป็นผสมผสานเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะแต่สภาวธรรมเนี่ยที่มันกําลังปรากฏเนี่ยมันไม่มีเรื่องไม่มีราวมันเป็นแค่ปรากฏแล้วก็รับรู้ปรากฏแล้วก็รับรู้แล้วมันก็ร่วงตกเป็นอดีตหมดเลยนะแม้กระทั่งเสียงเนี่ยถ้าเราเราจับเสียงนะสมมติฟังเรื่องเสียงเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่เป็นตั้งหลายพยานหลายประโยคเนี่ย แต่จริงๆอ่ะการรับรู้การได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเป็ น, ปนครั้งเป็นครั้งเป็นขณะเป็นขณะนะนะถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีคนไม่เข้าใจนะหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างให้เป็นเป็นตัวเลขก็ได้สมมติเราหลวงพ่อนับหนูพ่อนับเลขเนาะแล้วก็อ่าให้เกิดมันก็ได้ยินอยู่แล้วแหละว่าเออกำลังนับนะนับยังไงเดี๋ยวก็มันก็รับรู้ได้เองโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย ให้ธรรมชาติให้อายตนะเนี่ยเขาทำงานของเขาเองอย่างอิสระนะหลวงพ่อจะนับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดดสิบนี่คือเหตุการณ์ที่หมดแล้ว ถ้าหลวงพ่อจะอธิบาย อ, อ, อธิบายเรื่องที่นับเนี่ยจริงๆอะ ม, มันจบไปแล้วแต่ถ้าหลวงพ่ออธิบายก็กลายเป็นว่าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องอดีตอา่าทีนี้เอา้าหลวงพ่อพูดเรื่องอดีตเลยนะตอนนี้เพื่อให้เข้าใจว่าหลวงพ่อพูดในสิ่งที่จบไปแล้วแต่เพื่อมาทบทวนให้เกิดความเข้าใจนะจึงเอาอาดีตมาพูดแต่การพูดเนี่ยกําลังพูดในปัจจุบันแต่เอาเรื่องราวอาดีตมาพูดเรื่องราวก็เมื่อกี้ที่หลวงพ่อนับเนาะ โยมลองพิจารณาตามนะพอหลวงพ่อออกเสียงนับหนึ่งก็การได้ยินก็คือหมายถึงว่ารับรู้ได้ว่าเออได้ยินแล้วพอหลวงพ่อหยุดนะกว่าจะขึ้นสองเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ก็รับรู้ได้ว่าอ๋อตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ยินแล้วพอนับสองก็ได้ยินนับสามก็ได้ยินนับสี่ได้ยินมาเรื่อยเรื่แต่ตรงที่หลวงพ่อไม่ได้นับเนะี่ย ก็ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมมันเป็นช่องว่างไอ้ตรงช่องว่างตรงนั้นแหละมันเป็นช่องว่างก็ที่มันรับรู้ได้ว่าอ๋อไอ้ช่องว่างมันก็มีคนทั่วไปเนี่ยได้ยินแต่สิ่งที่กำลังได้ยินแต่เสียงที่กำลังปรากฏแต่จริงๆอะความปรากฏของการไม่ได้ยินเนี่ยก็มีอยู่นี่ถ้าหลวงพ่อไม่ชี้อาจจะบางคนก็ไม่รู้ว่าเออเนาะระหว่างเลขหนึ่งเลขสเลขสาเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ ทีนี้พอได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อเฉลยต่อไปเนี่ยมันก็จะชำนาญมากขึ้นว่าเออเนาะเวลาการได้ยินเสียงมันได้ยินที่เสียงกระทบหูเป็นเป็นครั้งเป็นครั้งแล้วพอเสียงไม่กระทบหูมันก็เห็นความเป็นช่องว่างของมันนะ่ะเนาะเป็นความไม่ปรากฏแต่จริงมันก็ปรากฏแหละปรากฏอะไรปรากฏเป็นความไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ปรากฏเลยปรากฏเป็นความไม่มี ความไม่มีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเพราะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะโยมนะว่าเสียงที่เกิดขึ้นปรากฏรับรู้ได้พอเสียงดับก็มันมีการปรากฏแล้วก็รับรู้ได้ทีเนี้ยเราก็จะบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่มันปรากฏอ่ะมันก็ยังเป็นของหลอกอยู่ดีเป็นของหลอกคือยังไม่ใช่สัจจะแท้ยังเป็นมายาอยู่ แต่สัตว์จริงแท้เนี่ยย่อมไม่ปรากฏนะแต่ทีนี้ถ้าโยมบอกจะไปหาไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏอะไรว่าที่ไม่ปรากฏโยมหาไม่เจอหรอกโยมเพราะว่ามันมันมันไม่ปรากฏไงเพรา ะ, ะนั้นเอารู้จักแต่แค่สิ่งปรากฏก่อนอะไรที่มันปรากฏในปัจจุบันคือรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยความไม่ทุก มันจะทุกอย่างไงได้เพราะว่ามันไม่ได้ยึดถืออะไรเนาะมีแต่รับทราบแล้วก็ผ่านไปรับทราบแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยรู้ผ่านแบบเนี้ยก็เรียกว่ามันผ่านตลอดเออไม่แวะตรงไหนเลยเนี่ยมันก็เป็นความหลุดไปใ น, ในระดับหนึ่งหลุดจากอะไรก็หลุดจากสิ่งที่กําลังปรากฏอืมอ่าก็อยู่ด้วยความรู้สึกตัวอ่าถึงแม้ว่าจะไม่พูดเนาะ ก็รู้ได้ว่าปากยังไม่พูดแต่ถึงปากไม่พูดแต่ในใจอะแน่นอนจะต้องมีความคิดความตรึกความนึกตรงนั้นแหละมันเป็นเรื่องของสังขารทางใจเรียกว่าจิตตสังขารเนาะจิตปรุงแต่งถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ายังไม่ตายความคิดจะต้องทำงานถ้าความคิดไม่ทำงานเลยเรียกว่าอาจจะ ใกล้ตายแล้วเนาะใกล้ตายกล้จะดับขันเออเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะมันมีสภาวะธรรมบางอย่างที่กําลังปรากฏแต่ว่าเนื่องจากว่าสตินะไม่คุ้นเคยนะยังไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นมีอยู่แต่ถ้ามีคนมาชี้บอกมาสกิดให้บอกว่าเออนั่นอ่ะมันมีอยู่นะแล้วก็พ อ, อผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นตามได้ว่าเออใช่ มันมีความคิดจริงๆต่อไปเนี่ยสติก็จะเกิดเร็วขึ้นหมายถึงว่าเวลามีความคิดเกิดขึ้นสติก็จะรู้ได้ว่าอ๋อความคิดกำลังปรากฏมันมีสมัยก่อนๆที่เริ่มเรียนธรรมะ เ, เริ่มเรียนธรรมเริ่มเรียนธรรมะเนี่ยไอเรื่องของการฝึกสติเนี่ยดูจิตนะก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองคิดไม่รู้แล้วก็ยังพูดให้เพื่อนๆนฟังว่าเราเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยเราไม่คิดอะไรเลย เราไม่คิดอะไรเลยเราอยู่ด้วยความปกติเป็นสุขสบายไม่ได้คิดอะไรให้เป็นทุกข์นะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ไม่ได้คิดเลยที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่เห็นความคิดไม่เห็นความคิดทีนี้มีคนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาแหละถึงปากไม่พูดนะแต่ใจมันคิดอยู่ในใจมันคิดอยู่ยังแล้วก็หลวงพ่อก็ยังเสียงในใจบอกคิดตรงไหน ผมไม่ได้คิดอ่ะนี่ทีนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีประสบการณ์ท่านรู้หมดแล้วว่าคิดหรือไม่คิดแต่เจ้าตัวไม่เห็นเองนะแต่พอมาสักวันหนึ่งเริ่มเห็นความคิดว่านะความคิดเช่นสมมติว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยเรา่คิดเยอะนะคิดมากแล้วก็ตอนนั้นคิดในใจบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงก็เราไม่ค่อยคิดอ่ะโอ้โหตรงนั้นเละเจอ จ, จังเลย ไอความคิดที่กําลังเถียงอาจารย์นั่นแหละเถียงอาจารย์ว่าเราไม่คิดนั่นแหละคิดเรียบร้อยแล้วพอจับได้สักครั้งนึงต่อไปนี่โอ้โหไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วในการดําเนินชีวิตประจํำวันเพราะว่าในชีวิตประจํำวันเนี่ยเห็นความคิดได้ไม่ยากก็ยกตัวอย่างเนาะเวลาเราคุยกับเพื่อนอนะ่ะคุยกับใครก็ได้เพื่อนก็คุยเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้ไอทางเรามันก็คิดติ ตรงไหนถูกใจเห็นด้วยก็บอกเออคนนี้พูดดีนี่ก็คิดแล้วนะโอ้คนนี้พูดดีจังโอ้โหใช่ได้เลยอย่เงี้ยนี่แสดงว่าในใจของเจ้าตัวเนี่ยคิดแล้วหรือถ้าคู่คกอ็อีกคนหนึ่งคุยแต่เราเนี่ยมีความรู้ความเห็นไม่ตรงกับเขาเราก็จะเถียงในใจบอกว่าอนั้นพูดผิดแล้วไอ้ น, นั้นนะรู้ไม่จริงนี่รู้จริงต้องรู้แบบนี้โอ้ยเนี่ยตอนนี้ก็คิดแล้ว ทีนี้แหละตรงนี้แหละถ้าเริ่มเห็นความคิดต่อไปมันก็จะเริ่มชำนาญในการรู้เห็นความคิดความคิดก็แค่เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเนาะบางทีมันคิดไม่รู้เจ้าตัวไม่รู้บางทีมันคิดเจ้าตัวก็รู้แต่จะคิดหรือไม่คิดมันก็คือสังขารเท่ากันไใช่คือที่มันคิดนะเออที่มันคิดแล้วรู้อันนี้ก็คือเป็นสังขารแล้วที่มันคิดแต่ไม่รู้ อ น, นั่นคือสังขารปรากฏแต่ไม่รู้แต่การปฏิบัติก็คือรู้ได้เท่าที่รู้ได้อย่าไปเขี่ยเข็นให้รู้เกินเหตุไม่อย่างนั้นเน่ยไอยการเขี่ยเข็นเนี่ยมันก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะเป็นสังขารอย่างหนึ่งที่กำลังปรากฏขึ้นนะซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะจะเหนื่อยมากในการที่จะเขี่ยเข็นเพื่อให้รู้นะแต่ถ้า แต่ถ้านะเวลามันเขี้ยวเข็นเนี่ยแล้รู้ทันขึ้นมาว่าเนี่ยมันเคขี่ยวเข็นที่จะให้รู้อีกแล้วแค่นี้ก็นี่แหละคือความรู้สึกตัวเป็นการตื่นรู้ในปัจจุบันนั้นแล้วจริงๆมันมีเรื่องพูดเยอะเนาะแต่ว่าเพื่อให้กระชับนะหลวงพ่อพยายามบางทีก็อยากใหจะให้พูดอยู่ที่เป็นประเด็นที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันอย่างเงี้ยมันจะง่ายมันจะง่ายแล้วก็เบาด้วยเนาะพยายามทําตรงนี้อยู่แต่ว่าบางทีมันก็แหมมันพูดไปมันก็บานไปเรื่อยเนาะ ทีนี้ถ้าปัจจุบันนะเอามีตาเห็นอยู่เนี่ยเห็นอะไรก็ได้นะสิ่งที่ตาเห็นก็เป็นสิ่งที่กําลังปรากฏนะก็คือมันปรากฏอะไรก็คือแค่เห็นมันนะแค่เห็นมันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปแทรกแซงว่าไอ้สิ่งที่ถูกเห็นนะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็แค่เห็นพอแค่เนี้ยก็เบาอย่างเมื่อกี้ที่ที่โยมหนุ่ยหนยาะโชว์ภาพโปรไฟล์ขึ้นมะา หลังจากที่เรารีเฟรชก็เปลี่ยนรูปภาพไปนะพอเปลี่ยนปับ๊บมันก็เห็นไงปรากฏเนี่ยกำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องคิดเยอะเห็นแล้วก็คือจบแล้วอันนี้พูดถึงในทางธรรมะนะเห็นแล้วก็คือจบแล้วเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏไม่ต้องบอกอะไรนะอะไรนะเออเออเอ อ, อ, อ, อย่างนั้นมันก็เป็นการค้นหาคิดก็ยาวไปเพราะนั้นในทางธรรมะมันจะง่ายมากก็คือไม่เห็นก็คือสักแต่เห็น เมื่อได้ยินเนี่ยตอนนี้กําลังได้ยินอาจจะได้ยินเสียงหลวงพ่ออาจจะได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวแต่เราไม่ต้องไปค้นหาว่าได้ยินอะไรเมื่อได้ยินก็คือได้ยินแล้วมันก็ผ่านไปนะเพราะฉะนั้นอายตนะทุกทุกทวารเนี่ยมันมีแก่การเขาเรียกว่าการรับรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, ผ, นไปผ่านทุกขณะจิตเลยเนี่ยถ้ารู้อย่างเนี้ยได้ยินอย่างเนี้ยมันก็จะจะง่ายจะง่ายเพราะมัน มันซื่อซื่อมันตรงตรดีแล้วเราก็ไม่ต้องเอาตัวเราไปแทรกแทงอะไรมันก็เป็นของมันอย่างธรรมชาติเบาวิว